โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้ผ่านสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อที่นี้ไปก็เป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะรับฟังคําแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานสําหรับวันนี้ก็อยากขอแนะนําในได้าของ เทวตานุสติกรรมฐานคําว่าเทวตานุสติกรรมฐานหมายถึงว่าเอาจิตเข้าไปตั้งไว้ในอ า, ารมณ์ที่นึกถึงความดีของเทวดาหรือว่าคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาเมื่อพูดถึงเทวดาลแล้วก็รู้สึกว่าบรรดาท่านทัน้งหลายที่รับฟัง บางท่านอาจจะฟังมาจากที่อื่นว่าเทวดาไม่มีบ้างการเชื่อถือเทวดาถือว่าเป็นคนโง้เกินไปบ้างพราว่าเวลานี้มีกระแสเสียงต่างๆปรากฏขึ้นในธํานองที่ไม่ยอมรับนับถือว่าเทวดามีได้ความเข้าใจอย่างนั้นเรื่องของท่านพูดนั้นจะเป็นยังไง ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> ก็จงอย่าไปสนใจอย่าคิดว่าท่านพวกนั้นคิดถูกหรือว่าคิดผิดเราก็จะมาคิดว่าคำว่าเทวตานุสติกรรมฐานการแนะนำให้รู้จักเทวธรรม คือทำที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ตัดเองไม่มีใครแต่งขึ้นและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระพุทธประวัติคือประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ดีและสาวองประวัติเขาแมสาวกอดดีก็รปรากฏว่ามีเรื่องราวที่สัมผัสเทวดามามาก เะนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ่าเจ้าทรงตรัสว่าเทวดามีจริงถ้าเรามีความเคารพในพระองค์เราก็ยอมรับนับถือไว้ก่อนแต่ด้ว่าวิธีการเทียบเรื่องความสงสัยว่าเทวดามีจริงหรือว่าเทวดาไม่มีความจริงเรื่องนี้เป็นของไม่แปลก เป็นความรู้ขั้นปฐมในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ใช่เป็นความรู้ด้านขั้นพระอริยเจา้าเป็นแต่เพียงว่าถ้าเราสามารถจะสร้างฌานโล ก, กีให้เกิดอันดับแรกเราจะทรงจิตแค่อุปจาระสมาธิที่เราเรียกกันว่ายังไม่ขึ้นปฐมปีที่หนึ่ง ของหลักสูตรพระพุทธศาสนาแล้วก็ใช้อุปจารสมาธิฝึกจิตให้เข้าถึงด้านทิฏฐิขุยานเพียงเท่านี้เรื่องนรกเรื่องเปรตอสุรกายเทวดาพรหมและสัมภเวสีก็จยปรายกดกับเราเอง ไม่ต้องไปนั่งเดาแล้วก็ไม่ต้องไป ค, คายค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าให้มันเป็นบาปไอคำว่าบาปที่เรียกว่าชั่วถ้าจิตของเราคิดผิดจากความดีก็เรียกว่าจิตคิดชั่วปากพูดผิดจากความเป็นจริงก็เรียกว่าปากชั่วกายทําไม่ดีก็เรียกว่ากายชั่ว แต่ทั้งนี้ขอท่านังหลายจงอย่าไปประนามท่านดีคายค้านว่าเทวดาไม่มีหรือว่าพร้มไม่มีไว้ชัวร์นั่นมันเป็นเรื่องของท่านเรื่องของท่านเราอย่าสนใจเราจงสนใจแต่กําลังใจของเราเองให้อยู่ในขอบเขตของความดีเท่านั้นเป็นพอถ้าเรามีใจดีสิอย่างเดียวกายของเราก็ดีวาจาของเราก็ดีด้วย วันนี้ก็อยขอพูดเรื่องเทวธรรมเรือว่าเทวตานุสติกรรมฐานสำหรับกรรมฐานข้อนี้ผมอยขอพูดเพียงสองหน้าของคัตเศษเท่านั้นเพราะว่าเป็นกรรมฐานใหญ่เป็นกรรมฐานใหญ่แล้วเป็นกรรมฐานก้าวโค้เข้าไปสู่ระดับความดีอันดับสูงมาก การที่พระพุทธเจ้าให้ทรงนึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์ในความจริงไม่ได้นึกถึงให้เทวดาชนนั้นช น, นี้โดยเฉพาะคือให้คิดให้เราทั้งหลายพาใจคิดว่าท่านที่เป็นเทวดานั้นท่านทำอะไรจริงเป็นเทวดาพระพุทธเจา้าทรงกล่าวว่าผลมาจากเหตุถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผล คำว่าเทวดาเป็นผลก็ต้องไปนั่งดูว่าเหตุที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดานั้นเขาทํากันยังไงเพราะถ้ายเราจะดูในพระสูตรก็จะพบว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสว่าเทวธรรมคือธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดานั้นมีอยู่สองข้อคือหนึ่งอิริ ความระอายต่อความชั่วสองโอตะ ป, ปะความเกรงกลัวผลของความชั่วที่ให้ผลเป็นทุกข์อารมณ์จิตสมงรการนี้ทําคนให้เป็นเทวดาถ้ า, าว่าท่านผู้นั้นยังเป็นมนุษย์ธรรมดายอยู่ก็ถือว่าร่างกายของท่านเป็นมนุษย์แต่จิตของท่านเป็นจิตเทวดา ถ้าตายจากคนก็เป็นเทวดาคำว่าเทวดาอีกหมดหนึ่งสับหนึ่งเ้าเรียกว่าเทพเทพหรือเทวดานี่แปลว่าผู้ประเสริฐแบ่งเป็นสามชั้นด้วยกันหนึ่งสมมติเทพคนที่ทรงจิตมีคุณธรรมอยู่ในด้านของเทวธรรม เธอมีหิริความระอายต่อความชั่วโอตะปะเกรงกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์และก็ไม่พยายามคิดชั่วไม่พยายามพูดชั่วไม่พยายามทําชั่วอย่างนี้ท่านเรียกว่าสมมติเทพ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะเป็นคนก็มีสภาพเมืระเทวดาสมมติว่าท่านผู้นั้นเป็นเทวดาได้ ในบริการที่สองท่านเรียกว่าอุปติเทพนี่มีในหลักสูตรท่ารทำโทรอุปติเทพที่หมายความมาเกิดขึ้นไปก็เป็นเทวดาเลยเป็นเทวดา ห, หรือผมเราก็เรียกคำว่าเทวดา <c oughs> นั่นก็หมายความว่าท่านได้ทรงคุณธรรมสองบริการประจําใจปฏิบัติจิตใจ ห, หมดจดปราศจากความชั่วอันดับต้น ่ิริเรื่อว่าขั้นกามาวจรสวรรค์หรือว่าสา ม, มารถจะทรงฌานสมาบัติทั้งสอนราการนี้เวลาตายจากคนก็ไปเป็นเทวดาเทวดาชั้นกามาวจรหรือว่าเทวดาชั้นพรหมสำหรับเทวดาอีกพวกหนึ่งนั่นก็คือวิสุทธิเทพ นิสุติเทพที่นหมายความว่าเป็นเทวดาด้วยความบริสุทธิ์คือพระอรหันต์ที่เข้าถึงพระนิพพานเป็นอันว่าคำว่าเทวดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้สามระดับจงจะลืมว่าคำว่าเทวดาแปลว่าประเสริฐ ผู้ใดทรงคุณธรรมก็ความเป็นเทวดาได้ผู้คนนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้เปรอะเสดถ้าเป็นคนแต่ก็เปรอะเสดกันตามลำดับปรอะเสดเล็กเประเสดกลางเปรอะเสดใหญ่เปรอะเสดเล็กก็หมายความว่าทรงคุณธรรมความดีได้คือมีทานเป็นปัจจัยมีศีลเป็นปัจจัยมีภาวนาเป็นปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาได้ถึงขั้นคณิกะสมาธิรูปจารสมาธิอย่างนี้ถือว่าเป็นเทวดาเล็กถ้ายังมีชีวิตอยู่เรียกว่าร่างกายเป็นมนุษย์แตใจเป็นเทวดาถ้าตายจากคนขึ้นไปก็เป็นเทวดาขนาดย่อมเรียกว่าเทวดาขนาด ข, าดขั้นกา ม, มาวจรสวรรค์ คือไปเกิดที่วิทยวันดาหกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้แต่หากว่าทรงอารมณ์ในในทานสมะในทานการบริจาคจิตใจตั้งไม่เป็นปกติคิดไว้เสมอว่าเราต้องการจะสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุขจิตใจตั้งอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์ หรืว่าจิตมีการทรงศีลเป็นปกติไม่ยอมให้จิตเคลื่อนจากอารมณ์ของศีลว่าเจริญหรือว่าเจริญฌานสมาบัติอย่างอื่นจนทั้งเมียลมเป็นฌานถ้ามีเป็นอารมณ์คำว่าเป็นอารมณ์หมายความว่าจิตทรงตัวอยู่อย่างนั้นในเมื่อเวลาจะตายจิตยัง ม, มั่นหมายคิดประมีความประสงค์ในการให้ทานจิตยังความลักเหนียวแน่นในศีล จิตยังมีความรักเหนียวแน่นในรมชานอย่างอื่นอย่างนี้ชื่อว่าผู้ตายระหว่างชานถ้าอย่างนี้เป็นเทวดาขั้นกลางคือเป็นพรมตายจากคนแล้วก็ไปเป็นปรมถ้าจิตสามารถจากจิเลสไปสมุทเธตมหานไม่ยึดถือร่างกายของเราเองว่าเป็นเราเป็นของเราและก็ไม่สนใจในร่างกายของบุคคลอนะื่นในสัตว์อื่น ไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถือว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบอกคนอื่นก็ดีวัตถุธาตุก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของโลกีวิสัยถ้าไปสนใจก็ไม่เข้ามันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์จิตใจเราปลดร่างกายของเราปลดร่างกายเขาบอกคนอื่นแล้วก็ปลดวัตถุธาตุทั้งหมด ไม่มีเยื่อใยในวัตถุธาตุใดๆและก็ไม่มีความพอใจในการเป็นเทวดาชิงการมาวจรสวรรค์ไม่มีความพอใจในการเป็นลมเพราะว่าเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ยังไม่พ้นจากความทุกข์แน่นอนใจของเรามีอย่างเดียวคือต้องการปนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ืีว่าเป็นเทวดาสูงสุด หมดจิตกันในพระพุทธศาสนาในเมื่อคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วก็ต่อไปขออย่าขอคุยเึืงปฏิบาติซะก่อนความจริงบุคคลที่จเจริญเทวตานุสติกรมธานถ้าท่านทรงจิตในเขตนี้จริงๆแล้วก็ผมขอโมทนาอย่างยิ่ง ไม่ว่าวิสุสมิมณนนุมาสุมบาสิกาถือว่าทุกท่านเป็นผู้มีอารมณ์เลิศประเสริฐ จ, จริงๆผมขอยกย่องบุคคลประเภทนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนที่มีกำลังใจสูงมากทำไมจึงว่ายา น, น ถ้าจถามว่าเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติอุปัสมานุสติก็ยกย่องวด่ดีที่ว่าท่านเจริญในเขตนี้และอยู่ในเกศเ ข, ขมรโสดาบันแล้วก็ทําไมมานั่งชมกันว่าท่านที่มีจิตใจเข้าถึงเทวตานุสติกรรมฐ า, านเป็นคนเลิศ เพราะว่าอนุสติเจ้ห้าตามที่กล่าวมาเริ่มต้นก็เข้าเขตของมโสดาบันแต่ว่าสำหรับเทวาตานุสติต น, นี้นั้นพอเริ่มต้นก็เข้านิพพานเลยถ้าหว่าท่านทงใสคิดตามผมไปด้วยคิดตามผมฟังว่าหนึ่งฮีริความระอายต่อความชั่ว ขึ้นชื่อว่าความชั่วทุกอย่างไม่ไว่าชั่วเล็กหรือว่าชั่วใหญ่ชั่วหยาบหรือว่าชั่วละเอียดเราอายคนความจริงคนถ้าอายกันแล้วเขาไม่สบตากันหรือว่าเขาไม่อยากจะพบกันไม่อยากจะเห็นกันนี่แต่คนอายความชั่วก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้ความชั่ว แม้แต่งเงาของความชั่วก็ไม่อยากจะเห็นถ้าโอตปะเกรงกลัวถ้ามีความกลัววายกลัวในความชั่วผลความทั่วที่ทัำ เ, เกิดเมื่อคนเราทุกคนไม่มีชั่วแล้วมันก็มีแต่ดีการไม่มีชั่วมีแต่ดีอะไรบ้างที่เราเรียกแตว่าชั่ว ถ้าจิตของท่านจับอยู่ในเทวาตานุสติกรรมทานแล้วก็ท่านไม่ได้ไปมองอื่นกมองจุดเดียวสังโยชนสิบประการที่ผมสันเสริญในผมสันเสริญตรงนี้เอาจิตเราไปมองสังโยชนสิบประการจะไปมองอย่างอื่นนั้นมันเลอะเทอะไป เ, เพราะใจเรามีกําลังสูง มองสัญญาสิบระการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงจัดว่าสกายทิฏฐิความรู้สึกที่มีความเห็นว่าอัตภาพร่างกายหรือเรียกว่าขันธ์ห้าที่เรียกจำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะพูดเพราะว่าทำใจของท่านมันยุ่งฟังกันแบบง่ายๆก็คือ เรียกว่าเราเอาร่างกายก็แล้วกันไอ้รูปเวทนาสัญญาสสงขามิญญาเนี่มันก็กายคําว่ารูปคือสิ่งที่เรามองเห็นได้แก่เนื้อกันหนังเป็นต้นเวทนาได้คือความสวยอารมณ์ที่มีความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างสัญญาได้แก่ความจำจำดีบ้างจำชั่วบ้าง สังขารเรียกว่าอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจปรุงแต่งในด้านของความดีที่เรียกว่าปุญญาพิสังขารปรุงแต่งในด้านของความชั่วเรียกว่าปุญญาพิสังขารและก็อารมณ์ที่ทรงเฉยเฉยเปีวเวะค่าลมอย่างนี้เรียกว่าเนญชาพิสังขารเนญชาพิสังขานี่คืออารมณ์ความเป็นอรหันต แล้วก็วิญญาณได้แก่ความรู้สึกรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนรู้สึกหิวรู้สึกกระหายรู้สึกอะไรต่ออะไรทุกอย่างรู้สึกเปรี้ยวรู้สึกเค็มรู้สึกขมขมอย่างนี้เรียกว่าวันวิญญาณวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่จิตเป็นประสาทจุดหนึ่งที่รับสัมผัสที่รู้สัมผัสทุกอย่างนั่นเองนี่เป็นอนุวัต ขั้นห้านี่แบ่งเอาเป็นอย่างนี้มันก็อยู่ในตัวเราถ้าใดจะพูดก็ให้ง่ายๆคือร่างกายจไม่ง่ายกว่าเราก็มานั่งพิจารณาดูว่าขั้นห้าคือร่างกายที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอย่างนี้จริงไหม ความรู้สึกของเราเป็นอย่างไงความรู้สึกของเรายังเกาะ อ, อยู่ในรมนี้หรือเปล่าถ้าความรู้สึกของเรายังเกาะว่ามันยังเป็นเราเป็นของเราอยู่ก็แสแดงว่าเรายังอายความชั่วไม่หมดได้เราก็ไปนั่งกําหนดดูว่ามันมีความรู้สึกเพียงไหน มีความรู้สึกว่ากายนั่นยังเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าว่าเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันจะต้องตายในเมื่อรู้สึกว่ามันจะต้องตายจิตจะคิดว่าถ้าเราตายจากความเป็นคนมันยังไม่ถึงที่สุดของชีวิตมันยังจะต้องแต่เกลียดแต่กายต่อไปในวันหน้าหมายความว่า ถ้ากิเลดยังไม่หมดเพียงใดมันยังต้องเกิดถ้าพลาดจังหวะไปเกาะอารมณ์ชั่วเข้าก็ไปเกิดในอวายภูมิือเป็นสัตว์ในโกเปรตอสูรกายสัตว์ปีศานเป็นต้นหรือเป็นคนก็หาความสมบูรณ์แบบไม่ได้ถ้าดีสักหน่อยเกิดเป็นคนดีขึ้นไปนี้เกิดเป็นเทวดา ดีขึ้นไปหน่อยเกิดเป็นพรหมดีหมดเป็นพระหันไปนิพพานเพราะเป็นอนั่ตาในเมื่อเราจิตใจของเรายังไม่สามารถจะปลดกายได้จริงๆมันยังมีอารมณ์ยึดถืออยู่แต่ทว่ารู้ว่ามันจะต้องตายเราก็เตรียมตัวเตรียมใจต่อสู้เพื่อรับสถานาการณ์ของความตายเมื่อการตายคราวนี้เราไม่ยอมไปในรก อย่ายึดมั่นจะเพาะจิตในความเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือเป็นพรมให้ได้เรียกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเป็นชาติเริ่มต้นที่เราจะไม่ยอมไปอาบายาภูมิเพราะอาบายาภูมิมันเป็นทุกข์เราก็ทํำยังไงต้องเข้าไปศึกษาคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญา พิจารณาด้วยปัญญาคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยควรยอมรับนับถือไหมถ้าใจของเราดีอ้ายชั่วจริงเกรงชั่วจริงจิตใจก็ยอมรับเหตุยับรับผลว่าว่าคำสอนขขงองค์สมเด็จพระทศพลในดีแน่ถ้าเราปฏิบัติตามมันมีสุขสุขตั้งในชาตินี้และสุขในชาติหน้า แล้วก็มองต่อไปคิดว่าเพื่อทาคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เราจะยึดอะไรเป็นสำคัญมันจริงจะไม่ลงอบายูมมองไปในหลับหยาบเราก็จะทราบว่าศีลห้ามีความสำคัญที่สุดสำหรับเนนก็คือศีลสิบสำหรับพระก็คือศีลสองร้อยยี่ิเจ็ดมันเป็นศีลประจำตัว แต่เมื่อมีความมั่นใจว่าศีลนี้สา ม, มารถจะให้เราทรงความดีเป็นสุขได้เมื่อตายไปแล้วชาตินี้เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์อารมณ์เราก็เป็นสุขชาติหน้าเมื่อเราตายไปแล้วศีลก็ถาไปในส่วนแห่งความสุขที่สุดก็ไปนั้นว่าเราก็ ย, ยึดศีลเป็นอารมณ์เกาะไว้ก่อนกันนาไบายภูม มีรมตัดสินใจว่าเราจะไม่ยอมเป็นคนหน้าด้านเข้าไปทําลายศินถ้าเราทําลายสิลข้อใดข้อหนึ่งแล้วสแสดงว่าเราน่าด้านและว่าใจด้านเต็มทีเราเป็นคนไม่มีอย่างอายเนย่าลืมนะว่าเทวตานุสติเนี่ยเขามีอารมณ์อายมีอารม์กลัวอายชั่วกลัวชั่ว แค่นั้นมาอายโช่โกรว์โช่ก็ต้องมองดโช่หยาบสก่อนที่เราจะจับมันได้ง่ายนั่นก็คือจับสินเขาไว้ถ้าเราละเมิดสินแสดงว่าเราโช่หยาบเราทรงสินบริสุทธิแสดงว่าเราทรงความดีหยาบยังไม่ละเอียดพอจิตใจยึดสินเป็นอารมณ์จนจิตตั้งมั่นเรียกว่าทรงฌานในสีลานุสติก ร, รมฐาน ตามที่กล่าวมาแล้วว่าจะหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีจะทํากิจกรารงานใดๆดก็ดีภาระใดมันจะยุ่งสักเท่าไหร่ก็ตามทีในขณะนั้นจิตของเราจะไม่ยอมวางศีลเป็น่งขาดการที่จะทําลายศีลได้ตนเองก็ดียุให้ชาว บ, บ้านทําลายศีลก็ดี หรือยินดีเมื่อบุคคอื่นทำลายสิ่งก็ดีไม่มีสำหรับเราเพราะเรารู้สึกว่านั่นมันเป็นความชั่วที่เราอัลอายที่สุดแล้วก็เป็นความชั่วที่เรามีความเกงรงกลัวที่สุดนี่เทวตานุสติกรรมฐานเริ่มต้นเขาจับจุดนี้พอจับจุดนี้ได้แล้วเราเป็นอะไรเราก็เป็นปะโสดาบันกะพศิธาคามี ไม่อยากต่อไปจิตว่าก็ก้าวต่อไปว่าความเป็นประสงคดากระพศิกธาคามีนี้ยังดีไม่พอถ้าเราทรงคุณธรรมเพียงเท่านี้แล้วเราก็เป็นคนที่น่าอายที่สุดเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องอะไรเป็นสำคัญ ส่วนสำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องก็คือพระนิพพานสมเด็จพระวิชิตามานไม่เคยยกย่องอย่างอื่นที่มีความดีเหนือพระนิพพานเลยเราจะต้องทำกำลังใจของเราก้าวเข้าสู่พระนิพพานให้ได้ในชาตินี้และก็ในเวลารวดเร็วไม่ใช่ช้านัก เพราะเราไม่แน่ใจว่าชีวิตของเรานี่มันจะอยู่ไปได้สักกี่วันวันนี้เห็นดวงอาทิตย์แต่วันพรุ่งนี้อาจจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็ได้วันนี้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแต่ว่านในตอนบ่ายเราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็ได้เพราะอะไรเพราะเราอาจจะตายก่อนเะนั้นจึงรวบรวมกําลังใจประพฤติทรงธรรม ตามที่อ ง, งสมเด็จพระชินวนวรสองตรัสเพื่อทำจิตให้มีความมัน่นคงมีความประสงค์ที่จะตัดสังโยตอทอสองรายการเกา้าข้อไปสังโยธรรมสิทธิเราได้สามถ้าเราสรงเป็นสามแล้วก็เป็นคนที่น่าอายที่สุดเพราะว่ายัางบูชาความชั่วอยู่ความชั่วที่เราจะต้องตัดแต่กันได้แก่อะไร ได้แก่หนึ่งกา ร, รม่ชั้นทะมีความพอใจในรูปสวยคือรูปที่มันไม่มีการทรงตัวในความสวยมีความพอใจในเสียงเพราะมีความพอใจในกิ่นหอมมีความพอใจในรสอร่อยมีการพอใจในการสัมผัสระหว่างเพศจิตมวดสมในการมร ม, รมนี่มันเป็นความเลวสามที่น่ารายที่สุด เพราะว่ารูปสิ่งที่เราสัมผัสทั้งหมดมันไม่มีอะไรจริงๆไม่มีความจริงจังความสวยไม่ได้สวยจริงร่างกายของคนแลสัตว์เต็มไปด้วยความสุกปรกวัตถุท่าที่เราเห็นว่ามีความสวยงามก็มันก็ไม่มีการทรงตัวมันสุกปรกด้วยแล้วก็หาการทรงตัวม่ได้ สำหรับกิเลส ข, ข้อที่สองที่เราจะต้องเวียงทิ้งมันไปให้ไกลที่สุดให้ไกลๆได้เพื่อทำสองอย่างนี้แหละแท่งการมมาชันแทะขนอดีกว่าติคาข้อดีติฆาเนข้อที่สองหรือว่าข้อที่หของสัญญาดการที่มีอารมณ์รับการกระทบและเกิดความไม่พอใจ ไอ้คำว่าไม่พอใจนี่มันเป็นปัจจัยของความเร่าร้อนและความทุกข์มันเป็นความเลวที่น่าร อ, อาที่สุดถ้าจิตใจของเรายังมีสภาพอยู่อย่างนั้นเราก็เลวเต็มทีเพราะเราครบกับความชั่วเราไม่มีความอายในความชั่วอารมณ์ของตัวเราถ้ามีความเร่าร้อนในการกระทบกระทั่งอารมณ์จากบ่คคลอื่นที่กล่าวมาเป็นเครื่องสัมผัส แล้วก็มีความไม่พอใจอันนี้เป็นความเลวใหญ่เราจ ะ, จะต้องโยนทิ้งไปให้ได้แต่ว่าท่านอย่างไรวันนี้โยนทิ้งยังไงละ่ะเวลามันหมดเสนแล้วนี่เป็นอันว่าคอยท่านศึกษาในเทวตานุสติกรมฐานผมอยากให้ท่านทุกองสำหรับพิสุะสมาลิน ใหญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านอยากจะให้ทุกคนทรงเทวตานุสติกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ไม่ใช่ไ้นั่งท่องจำให้จิตมันทรงตัวคิดว่าอะไรมันชั่วเราไม่ยอมทําเราหายนี่พวกเรการเป็นคนหน้าบางไม่มีนคนหน้าด้านและเป็นคนใจบางไม่มีนคนใจด้าน แล้วก็กลัวเป็นคนที่ขลาดในความชั่วทั้งหมดที่จะปรากฏกับใจอารับันดาท่านทั้งหลายวันนี้เวลาหมดแล้วก็ข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นอยู่ในอิิยาบทสี่ใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาสายจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร